ออกมาแถวนี้เช้าๆนะมันก็สบายนะสดชื่นก็อยู่แถวนี้นะไม่อยากเข้ากรุงเทพหรอกกรุงเทพสกปรกกอแอหัดมากเลยแล้วพลังงานของความหลงนะตเต็มไปหมดเลยพลังงานของโทสะราคาานะโมหะรุนแรงมากเลย พวกเรา่น่าสงสารพวกที่ต้องอยู่ใครอยู่กรุงเทพมั้งโธ่น่าสงสารจริงๆเราเ็เกิดกรุงเทพนะนกรุงเทพเมื่อหกสิบปีก่อนเนอะมันไม่เป็นอย่างนี้ยังมีนกมีอะไรนะ mm. คนไม่เยอะมีคนเยอะแยะแย่งกัน รุนแรงสังคมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะสังคมตอนหลวงพ่อเด็กๆเนี่ยกรุงเทพมันยัดูบ้านนอกดูเหมือนบ้านนอกอยู่ตอนเช้าๆเผู้ใหญ่ก็พาไปใส่บาดหน้าบ้านกับข้าวเนี่ยใส่ใส่ใบตองนะใส่ห่อใบตองพลาสติกไม่มี มันถึงสถานบ้านเมืองวันไหนไม่ไปโรงเรีย น, นก็พาไปวัดไปฟังเทศบ้างอะไรบ้างตอนไหนพระเล่านิทานก็มาฟังตอไหนพระเทศอะไรไม่รู้เรื่องก็ไปวิ่งเล่นเขาไม่ว่าเลยอยู่กับคนแก่อยู่กับปู่ย่าตาใหญ่พ่อแม่ทำงานนี่สังคมมันเปลี่ยนเนี่ยเราห้ามมันไม่ได้ ทุกวันนี้สังคมมันแข่งขันกันรุนแรงนะแย่งชิงแย่งกันอยู่แย่งกันกินแย่งกันทำงาหากินนะแย่งกันสารพัดจะแย่งใจของคนร้อนเพราะทุกคนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีความสุขความเพียรเกลียมในใจมันจะค่อยๆงอกขึ้นมามันต้องสู้เพื่อจะอยู่รอดอย่างนี้ สู้ไปสูมาเลยลืมความเป็นมนุษย์ไปนะไม่มีความร่มเย็นข้างในหลวงพ่อพยายามเอาธรรม ะ, ะมาประกาศทุ่มเทมากในการประกาศธรรมะเพื่อได้ทดลองมาว่าถ้าเราอยู่กับธรรมะได้นะสิ่งแวดล้อมจะรุนแรงขนาดไหนนะใจเรายัางร่มเย็นได้ สงบร่มเย็นอยู่ได้เกิดที่การฝึกของเราเองพระพุทธเจ้าท่านถนึงสอนบอกว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้ของอื่นนะเราไปทำหวังว่ามีความสุขไม่ค่อยมีจริงมาฝึกจิตฝึกใจตัวเองขัดเกลาจิตใจนะศีล ส, สมาธิปัญญาขัดเกลาไปเ้วยตั้งใจรักษาศีลห้าไว้ ใครมันจะว่าเราโง่ก็ช่างมันเถอะไอคนฉลาดไม่มีความสุขเท่าเราหรอกเราถือศีลห้าได้เราก็มีความสุขของเราเรานึกถึงศีลที่เราถือดีแล้วนะสมาธิก็เกิดแล้วมันร่มเย็นภายในใจมีศีล ใ, ใจก็ร่มเย็นสมัยพุทธกาลมีนะพระท่านภาวนาแล้วไม่สำเร็จอะไรเลยนะน้อย อ, อกใน้อยใจเสียใจฆนะ่าตัวตายอนะี้ นี่ตอนจะตายนะท่านนึกได้ว่าบวชมาเนี่ยมีดีอยู่ข้อเดียวคือตั้งใจรักษาศีลพอคิดถึงว่าได้ตั้งใจรักษาศีลอย่างมากเลยนะสมาธิก็เกิดแล้เห็นธาตุเห็นขันมันจะตายทนะ่านไปรู้พระอรหันต์ในขณะตายเงี้ยพวกเราพยายามนะรักษาศีลใหม่ๆควรเนหัวเราะนะเพราะว่าเราอยู่รักษาศีลในท่ามกลางพวกทูศีล พวกไม่มีศีลมันหัวเราะหรือเรานั่งสมาธิเดินจงกรมมนะันเป็นของดีของวิเศษของเราคนมันไม่เคยภาวนามไม่เคยรู้คุณค่ามันหัวเราะเยาะแต่ว่านักปฏิบัติจำนวนมากก็ทำให้คนทั่วๆไปเขาหัวเราะเยาะได้จริงๆที่ทำตัวแปลกๆตัวประหลาดๆเช่นนุ่งพระถุงไปทำงานนึงนะก็แปลกไปหน่อย สังคมมันเปลี่ยนไปแล้วหรือภาวนาผิดแล้วบ้าก็มีเยอะนะภาวนาเพียเพ้ยนเพี้ยนไม่รู้หลักทำทรงเดชไปส่วนใหญ่ไปบังคับกดข่มจิตทั้งนั้นเลยไม่ก็สะกดจิตตัวเองไปื่อยไม่ใช่รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแต่กลายเป็นดัดแปลงกดข่มบังคับส่วนก็บ้ามีพฤติกรรมเพี้ยนเพียน คนเขาก็เลยไม่ค่อยเชื่อถือการปฏิบัติหลวงพ่อตอนเป็นโยมนะหลวงพ่อพอนางหลวงพ่อเรื่อยๆจนคนเขาสงสัยว่าทำไมเราดูผ่องใสมากทำไมเราดูมีความสุขมากเขาสงสัยแล้วค่อยมาถามนะถึงค่อยบอกเขาเนี่ยนะสุดท้ายไม่ค่อยมีใครกล้าหัวเลาะหรอกว่าเพียนเพราะตัวเองไม่มีความสุขเท่าเรา ก็ดูแลสุขภาพจิตเราดีกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราภาวนาถูกนะเราไม่ต้องไปโฆษณาหรอกภาวนาถูกคนอื่นเขามองเห็นนะเดี๋ยวเขาก็มาถามเองแล้วก็ค่อยบอกมันก็จะค่อยมีเพื่อนที่ปฏิบัติด้วยกันนะมากขึ้นมากขึ้นเราไปอยู่กับพวกไม่รู้เรื่องเขาว่าเราบ้านะพอเราภาวนาไปเรื่อยต่อไป คนมันจะรู้เลยว่าพวกไม่พอนานนันบ้ามันมันพุ้งมันหลงมันอุดตลุดไปหมดนี่ออกไปเทศที่นอนที่นี่นะหลวงพ่อเมื่อวันเฉลิมพระชนบพรรษาเนี่ยไปเทศนครศรีธรรมราชเทศที่วัดศรีทวีกคนมาเต็มวัดเนะลยเขาก็ตั้งใจมาฟังธรรมะกันระเทศเสร็จ ใกล้ๆสิบเอ็ดโมงลหลวงพ่อออกจากวัดไปไปไหว้พระธาตุก็ไปซื้อดอกไม้ซื้ออะไรนะจะไปไหว้พระมีโยมเขามาหาบอกเนี่ยเขามาจากจังหวัดตรังขับรถมาพาพระมันด้วยจะไปฟังเทศมาไม่ทันหลวงพ่อออกไปก่อนแล้วปรากฏว่าคนนี่ไม่เคยเจอหลวงพ่อนะ เข้ามาหาเนี่ยใสายมาเลยรู้เนื้อรู้รตัวมานะปไปเทศหลายๆที่เดี๋ยวนี้เห็ น, นคนที่ภาวนาเป็นจริงๆ เ, เห็นความเกิดดับของรูปนามแล้วเนี่ยเลยขั้นแยกขันแล้วนะเมื่อก่อนนี้คนไหนภาวนาแล้วก็จิตตื่นขึ้นมาได้สมาธิที่ถูกต้องหลวงพ่อก็ชมนะระยะหลังเนี่ยแค่ตื่นนี่ไม่ชมแนละ้ว ต้องแยกขันเป็นในมาตรฐานก็ตลองจะปรับอีกแล้วนะตามค่าแรงขั้นต่ำต่อไปถ้ายังไม่เห็นใจรักของรูปนามนะแยกขันแล้วแต่ละขันแสดงใจรักยังไม่เห็นตัวนี้ไม่ชมแล้วนะเราจะมาหยุดนิ่งอยู่กับที่หลวงพ่อเคยชมว่าภาวนานดีพระตื่นขึ้นมาแล้วนะผ่านมาห้าปียังตื่นเหมือนเดิมไม่ได้เรื่องนะ พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญการปฏิบัติที่หยุดนิ่งความดีที่หยุดนิ่งต้องดีขึ้นได้ไดแต่ดีก็อยากดีก็ไม่ได้นะอยากดีมันก็ไม่ดีเพราะอยากมันเป็นต้นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็ภาวนาให้ถูกหลักถูกเกณฑ์มันก็ค่อยพัฒนาของมันขึ้นมาเองไม่ช้าหรอกตอนนี้เห็นคนที่ เขาเห็นความเกิดดับของรูปของนามได้เนี่ยแยะเต็มไปหมดละมากขึ้นมากขึ้นถ้าเราเห็นความเกิดดับของรูปนามได้เนี่ยเจัน7เดือน7ปีนี่ควรจะได้อะไรบ้างนะถ้าตามตำราเนี่ยท่านบอกควรจะเป็นพระอรหันต์ถ้าไม่ได้พระอรหันต์ควรจะเป็นพระอนาคามีนี่ควรจะสมัยพุทธกาลสมัยพวกเรา กิเลสหนาปัญญายาบนะความรุนแรงมากเจวัน7เดือน7ปีได้พระโสดาบันบุญนักหนาแล้วล่ะเอาให้ได้โสดาก่อนพอได้พระโสดาบันนะชีวิตมันจะรู้สึกมั่นคงขึ้นไม่งั้นเวลาเรามีชีวิตอยู่ในโลกเราจะรู้สึกว่ามันไรทิศทางที่ชัดเจนเราไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนนะ จะดีขึ้นหรือเลวลงอะไรเนี่ยไม่แน่มีแต่คำว่าไม่แน่ไม่แน่พอเป็นพระโสดาบันแลมันมีคาว่าแน่เกิดขึ้นแล้วคือแน่นอนว่าวันหนึ่งจะตรัสรู้วันหนึ่งจะต้องเป็นพระอรหันต์แต่ต้องพ้นทุกมันมีคาว่าแน่เกิดขึ้นนะท่านเปรียบเทียบนะเหมือนคนไปเรือล่มอยู่ในทะเลเรือล่มอยู่ในทะเลเนี่ยคนทั่ ว, วไปเนเหมือนคนที่อยู่กลางทะเลนะไม่รู้ทิศทาง ไม่รู้ว่าควรจะไปทางไหนคนที่รู้ทิศทางว่าควรจะไปทางไหนแล้วเนี่ยคือพระโสดาบันรู้ทิศทางแล้วพอ ร, รู้ทิศทางแล้วก็ค่อยๆว่ายน้ํนะเกาะไม้กระดานหรือก็อะไรก็ได้นะค่อยๆเข้าฝั่งใกล้เข้าไปเป็นลาดับลาดับคนที่เริ่มเคลื่อนเข้าหาฝั่งเนี่ยก็คือท่านเทียบเหมือนกับพระสกทาขาเคลื่อนเข้ามาใกล้ๆฝั่งนะ จนกระทั่งปลายเท้าเนี่ยเริ่มหยั่งถึงพื้นยังอยู่ในน้ํายังไม่ขึ้นจากน้ํานะถ้าขึ้นซัดมาก็ยังสําลักน้ําได้อยู่ก็ปลุบปลุบปลัป ล, ปลแต่เหลืออีกหน่อยนึงนท่านเทียบเหมือนพระนาคาพระอราหันต์เหมือนคนที่ขึ้นบกได้แล้วปลอดภัยแล้วถ้ายังไม่ได้พระโสดาบันเนี่ยเราจะไร้ทิศทาง ไม่มีทิศทางพระโสดาบันมีทิศทางที่ชัดเจนแล้วนะว่าจะพัฒนาไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งจะขึ้นบกได้จมน้ำตายอีกไม่เกินเจ็ดครั้งก็ถึงฝั่งไม่ใช่พระโสดาบันทุกองค์ต้องเจ็ดชาตินะอยู่ที่กำลังในเวลาบรรลุโสดาปฏิมาคถ้าปัญญาแก่กล้าก็เหลือชาติเดียว สมาธิกล้าๆอาจจะเหลือสมชาติถ้าทั่วๆไปอินทรีย์ไม่แก่กล้าก็ไม่เกินเจชาติเวลาบรรลุถ้าเห็นสภาวธรรมเกิดดับสองขณะนะแล้วก็เกิดอริยมรรคเกิดอริยผลอริยมรรคหนึ่งขณะอริยผลสมขณะตัวนี้เป็นพวกปัญญากล้า ไม่ถึงเจ็ชาติหรอกแต่ถ้าพวกปัญญาไม่แก่กล้าเกิดสภาวะเกิดดับให้ดูภายในเนี่ยสามขณะแล้วทวนเข้ามาหาจิตหนึ่งขณะนะเข้ามาถึงตัวรู้แล้วเข้ามาถึงธาตุรู้แวกธาตุรู้ออกเกิดระยะมรรคหนึ่งขณะจิตเกิดระยะผลสองขณะจิตสัมผัสปณิพานสองขณะพวกนี้ปัญญาไม่กล้า พวนี้อาจจะสมชาติเจชาติอะไรไปแต่ว่าสามชาติเจดชาติก็ไม่บนเนาะสั้นนิดเดียวสั้นมากวาตานิยาวถ้าเราะระลึกได้นานๆะระลึกได้เราจะรู้ว่าเราเวียนว่ายตาเกินนับพบนับชาติไม่ท่วนในกับกับหนึ่งเนี่ยถ้าเราทําความดีมา ก, มากๆได้เป็นคนเรื่อยๆนะในกับเดียวนี่หัวกระโหลกอย่างเดียวนะ กองเท่าตึกห้าชั้นใหญ่ๆเลยเพพาะหัวกระโหลกนะไม่นับกระดูกงั้นเวลาสามชาติเจดชาติอะไรไม่เยอะหรอกเราสามารถย่นวัตตะของเราได้ด้วยการเจริญสติเจริญปัญญาให้มากถ้าเราไม่เจริญสติปัญญาเนี่ยวัตถะของเราจะไม่มีที่สิ้นสุดเลยเหมือนอินฟินิตี้เลยไปเรื่อยๆไม่มีที่จบเลย แต่พระเราพยายามตั้งใจรักษาศี่ห้าใครมันจะหัวเราะก็ช่างมันตั้งใจฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละคือสภาวะที่จิตทรงสมาธิที่ถูกต้องอยู่ความรู้นู้นรู้ตัวเนี่ขาดไม่ได้เด็ดขาดเลยบางคนนั่งสมาธิจนกระทั่งโลกธาตุดับร่างกายหายไปโลกหายไปเหลือจิตดวงเดียว ก็ยังไม่ขาดความรู้สึกตัวจิตไม่ขาดสติมีสติรักษาจิตอยู่นั้นในสมาธิก็ต้องมีสติกากับแลขาดสติล้เคลิ่มไปเป็นมิจฉาสมาธิทันทีเลยมีศีลตั้งใจงดเว้นการทำบาปอากุศลทางกายทางวาจามาฝึกจิตให้อยู่กับเนื้อกับตัวได้สมาธิที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ทรงสมาธิอยู่เฉย ต้องน้อมจิตมีสติระลึกรู้เห็นความเปลี่ยนแปลงของกายเห็นความเปลี่ยนแปลงของใจเรื่อยไปมาดูความเปลี่ยนแปลงที่จริงถ้าบุญบารมีมากนะไม่ต้องเห็นรูปนามเกิดดับก็ได้นะไม่เห็นทำมิปัฏนาในสิ่งที่ยาบกวนะ่านั้นเองเห็นชีวิตจริงๆข้างนอกอย่างนี้เลย เห็นชีวิตเป็นของแปลปรวนเห็นชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนเห็นชีวิตเกิดดับอะไรเงี้ยสมัยพุทธกาลคนจนํานวนมากเขาก็เรียนมีปั ส, สนาแบบใช้อารมณ์ที่หยาบมายุคพวกเรานะพวกคิดมากพวกฉลาดมากแค่เห็นว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนรเงยนะจิตไม่ยอมตัดจิตมันดื้อต้องพามันดูจนละเอียดยิบเลยนะให้เห็นมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับ มันถึงยะยอมตัดได้หลังๆก็เลยไปสอนกันว่ามีปัศนาต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามสมัยพุทธ ก, กาลพระโสดาบันบางองค์ไม่เคยได้ยินคาว่ารูปนามเลยไม่เคยได้ยินคาว่าขันห้าเลยก็มีบารมีเขาเยอะอย่างอนาทปินธิกะนะตอนจะตายนิมนต์ภาษารีบุตรไปเทศให้ฟัง สาธุบุตรเขาไปเทศเรื่องขันห้าให้ฟังแกร้องไห้เลยว่าว่าทําไมไม่เทศให้ฟังตอนอยังแข็งแรงอยู่มาเทศให้ฟังตอนจะตายแล้วแกดูไม่ทันไม่งั้นแกยังต้องเกิดอีกเนีอนาณาธพินทิกาไม่เคยได้ยินว่าขันห้าไม่เคยรู้จักรูปนามนะแต่ว่าเห็นความจริงของชีวิตไม่ชีวิตมันไม่แน่นอนทุกอย่างเกิดได้ก็ดับได้เห็นอย่างนี้นี่พวกเรากิเลสมันแรง แค่นึกถึงชีวิตเกิดได้ดับได้ไม่ใช่ต่อเลยแต่ตอนนี้ยังไม่ดับทําอะไรก็ทําไปก่อนนะไม่ล้านกิเลสเนีย่ยต้องดูให้มันละเอียดขึ้นไปอีกอให้เห็นเลยว่ามันทุกข์อยู่ทุกขณะนะอย่าหลงอย่าเพลินนะถ้าเราแยกรูปแยกนามออกไปแล้วเราจะเห็นหว่าความทุกข์มันบีบคั้นอยู่ทุกขณะจิตเลยอย่าได้หลงเพลิดเพลินกับโลกเลยอยพวกหลงโลกมากก็ต้องดูให้มันละเอียดยิบเลยเห็นได้ทุกข์เยอะแยะไปหมดเลย หายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์ต้เห็นอย่างนั้นหรือเห็นจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดจิตสุขก็ชั่วคราวจิตทุกข์ก็ชั่วคราวจิตดีก็ชั่วคราวจิตร้ายก็ชั่วคราวแล้วก็เห็นอนัตตาจิตจะสุขก็สั่งไม่ได้นะจิตจะทุกข์ก็สั่งไม่ได้ห้ามทุกข์ไม่ได้นะ ทุกแล้วสั่งให้หายก็ไม่ได้จิตเป็นอนัตตาสั่งให้ดีมันก็ไม่ค่อยจะดีห้ามชั่วมันก็ชอบชั่วนะี่เฝ้าดูลงไปเห็นว่ามีแต่ของหน้าเอื้อมหรออาร่างกายนั้นมีแต่ความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาจิตใจมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความเป็นอนัตตานะี่เห็นซ้ำซ้ำซ้ำ ใ, ใจก็เบื่อหาสาระแก่นสารไม่ได้นะี่บารมีเราน้อยเราก็ต้องพาวนาให้มันละเอียดขึ้น คนนะครับบารมีมากเจอพระพุทธเจ้าบางคนฟังธรรมนิดๆหน่อยๆ น, นะไม่ได้ยินเรื่องรูปเรื่องนามอะไรต้อใจเขาก็ยอมรับแล้วใจเขาตัดได้แล้วเขาสะสมของเขามามากพวกเรานี่ขอให้เชื่อมั่นอย่างหนึ่งนะว่าสะสมมาน้อยถ้าสะสมมามากเนี่ยคงไปฟังธรรมตรงจากพระพุทธเจ้าแล้วล่ะ หรือพวกเราบางคนในนี้อาจจะเคยฟังทำตรงจากพระพุทธเจ้ามาแล้วนะแต่ยุคนั้นบารมีเราน้อยเราฟังแล้วไม่รู้เรื่องเราฟังเทวทัศ์รู้เรื่องตามเทวทัตน์ไปงั้นสันนิษฐานไว้ก่อนนะว่าพวกเราบารมีน้อยแทนที่จะได้เรียนตรงจากพระพุทธเจ้าต้องมาเรียนจากสาวกเนี่ยเมื่อบารมีน้อยก็ต้องาพากเปลี่ยนให้มากคล้ายๆเราจนน่ะ อยากจะดีต้องขยันให้หนักกว่าไอ้คนที่เขารวยอยู่แล้วเราจนด้วยอริยทรัพย์ศีลเราก็ก็พร่องก็แพร่งสมาธิเราก็ไม่ดีการศึกษาธรรมะได้ยินได้ฟังก็น้อยอะไรนี้การเจริญปัญญาก็ยังไม่มากเลยนี่เรียกว่าเรายัางจนอยู่ในอริยทรัพย์เราก็ต้องขยันหน่อยเพราะว่าจน บางคนเข้าไปเพศคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดเขาฟังธรรมะประโยคนสองประโยชน์้ขาปิ้งแนละเราไม่ปิ้งเราแปกฟังแล้วแปกแปกเกิดมาจนต้องขยันเพราะเรายังจนด้วยอริยทรัพย์เราก็ต้องขยันภาวนาวเดี๋ยววันหนึ่งเราก็รวยขึ้นมาได้นะส่วนท่านที่ท่านรวยไปก่อนแล้วท่านก็นิพพานไปหมดแล้วที่สมบัติไว้กับโลกไม่ได้เอาไปด้วยหรอก อยู่ที่เราไปเก็บเกี่ยวเอาสมบัติเป็นของกลางธรรมะก็ของกลางของโลกไม่ได้เอาไปนิพพานด้วยหรอกงั้นพวกเราต้องอดทนให้มากนะพยายามดูไปเรื่อยตั้งใจรักษาศีลห้าไว้ทุกวันต้องฝึกให้ใจอยู่กับตัววิธีฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก็คืออย่าใจลอยนาน ถ้าใจลอยเมื่อไหร่ก็ลืมกายลืมใจแลก็ไม่มีสมาธิจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัววิธีที่จะไม่ให้ใจลอยนานก็ต้องซ้อมต้องฝึกทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาพุทโธก็ได้รู้ลมหายใจก็ได้อะไรก็ได้นะสักอย่างหนึ่งขึ้นมาเอาที่ทําแล้วสบายใจอ่ะทำแล้วเครียดไม่ต้องไปทําอย่างบางคนไปดูท้องพองยุบแล้วเครียดนะเกรงเครียดโรคจิตจะกินเก็นะไม่ต้องเอา กรรมฐานมีทั้งเยอะแยะก็เลือกกรรมฐานที่มันสบายใจอย่างบางคนรู้ลมหายใจแล้วก็ขาดสติเริ่มเห็นโน้นเห็นนี้ไปก็ไม่เอาเอาสมาธิที่มันรู้เนื้อรู้ตัวไม่ให้เคลิ้มไม่ให้หลงไปทํากรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาก่อนแล้วคอยรู้ทันจิตไม่ใช่ทํากรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้จิตสงบปรับนิดหนึ่ง เราคุ้นเคยแต่ว่าจะทำกรรมฐานอย่างหนึ่งเพื่อให้จิตสงบอันนั้นมันสมถกรรมฐานถ้าจะเอาสมาธิชนิดที่ใช้เจริญปัญญานะต้องคอยรู้ทันจิตในบทเรียนที่จะได้สมาธิที่รู้ทันจิตนรู้ได้สมาธิที่ถูกต้องต้องรู้ทันจิตพระพุทธเจ้าถึงเรียกว่าจิตตสิกขาศีลสิกขาจิตตสิกขาจิตสิกข า, จ, ขาจะได้สมาธิที่ถูกต้อง ให้คอรู้ทันจิตนะพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพง่งความนิ่งนิ่งว่างๆอยู่รู้ทันถ้าใช้ลมหายใจก็หายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันก็ลกลับมารู้สึกตัวอีกหายใจไปจิตไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจเพราะว่ากลัวจะหลงก็เลยไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ทันอีกว่าจิตไหลไปเพ่งลมหายใจแล้ว เนี่ยทำกรรมฐ า, านแล้วรู้ทันจิตนะจิตนีไปคิดก็รู้จิตรู้สึกตัวขึ้นมาก็รู้จิตไปเพ่งลมหายใจหรือไปเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องอะไรก็รู้นะฝึกให้มากต่อไปจิตมันเคลื่อนไปปุ๊บเนี่ยสติจะเกิดเองเพราะสติจะเกิดได้นะไม่มีใครสั่งสติให้เกิดได้สติจะเกิดเมื่อมีเหตุของสติเหตุใกล้ให้เกิดสติชื่อว่าธิระสัญญาถอถุงสระ อ, อิรอเรือธิระสัญญา ทีละสัญญาคือการที่จิตจําสภาวะได้แม่นจิตจะจําสภาวะได้แม่นถ้าจิตเคยเห็นสภาวะบ่อยๆเพราะงั้นเราพาจิตให้ดูสภาวะบ่อยๆพุโทโธไปหายใจไปจิตหนีไปแล้วรู้เนี่ยต่อไปจิตหนีไปเนี่ยจิตจําสภาวะที่จิตหนีไปได้แม่นพราะอย่างนี้หลงไปแล้วนะอย่างนี้ไหลไปเพง่งอย่างนี้ไหลไปคิดจิตมันจําได้แม่นนะพอไหลไปเพง่งปุ๊บมันก็รู้สึกตัวขึ้นมาเลายสติระลึกได้หรือไหลไปคิดนะ จำสภาวะที่จิตไหลไปคิดได้แล้วพอจิตไหลไปคิดสติะระลึกปั๊บเลยนี่ไหลไปคิดแล้วมีคําว่าแล้วด้วยนะคือมันเป็นไปก่อนตอนที่หลงอยู่นะมันมีสติไม่ได้พนอะตอนที่หลงจิตมันเป็นฟุ้งซ่านมันมีโมหะตอนที่สติเกิดนะมันไม่หลงแล้วนะมก็เลยต้องมีคําว่าแล้วเมื่อกี้นี้เผลอตอนนี้รู้สึกาการดูจิตดูใจนะเราจะดูตามหลังไปเรื่อยๆตามไปติดๆ ในบางคนบอกหลวงพ่อประโมทสอนผิดนะไม่ดูปัจจุบันดูรูปกับดูนามนั้นคําว่าปัจจุบันนั้นไม่เหมือนกันถ้าดูร่างกายนะั้นเขาเรียกปัจจุบันขณะคือขณะนี้เลยถ้าดูนามธรรมนี่ใช้ปัจจุบันสันตติคือส่วนที่สืบเนื่องกับปัจจุบันทําไมดูปัจจุบันแท้ๆไม่ได้อย่างจิตมีโทสะเนี่ยจะรู้ว่ากําลังมีโทสะรู้ไม่ได้เพราะทันทีที่สติเกิดเนี่ย โทสะดับไปเรียบร้อยแล้วมันเลยเป็นการตามหลังตลอดพระพรุทธเจ้าก็สอนอย่างนั้นนะดูครับภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะใช่ไหมราคะเกิดก่อนแล้วก็รู้ว่ามันมีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะใช่ไหมความไม่มีราคะเกิดก่อนราคะดับไปแล้ว ก, ก็ค่อยรู้เอาดูครับภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะโทสะเกิดแล้วก็ค่อยรู้ค่อยรู้ว่ามีโทสะ จิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะกิเลสเกิดไปก่อนแล้วรู้ทีหลังตามหลังอย่างนี้แหละค่อยๆหัดนะหัดไปเรื่อยจนใจมันก็ฉลาดขึ้นดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงดูไกาจะเห็นตัวทุกข์ได้ชัดแล้วดูจิตจะเห็นอนิจจังอนัตตาได้ชัดดูจิตดูให้เห็นตัวทุกข์ยาก แต่ว่าบางคนเนี่ยจะต้องเห็นจิตเป็นตัวทุกข์นะจะข้ามภพข้ามชาติได้พวกที่ทรงสมาธิมากๆเนี่ยเวลาจะบรรลุพระอรหันต์เนี่ยจะต้องบรรลุด้วยการเห็นจิตเป็นตัวทุกข์ไอ้ลำพังเห็นจิตไม่เที่ยงเนี่ยพวกที่มีศรัทธามากมากนะเห็นจิตไม่เที่ยงพวกนี้ก็ยอมปล่อยวางจิตลนะพวกศรัทธามากเนี่ยจะเป็นพวกมาตรฐานสูง พอเห็นความไม่เที่ยงนี้นิหน่หน่อ ย, อยรู้สึกว่าผิดมาตรฐานแลยอมรับไม่ได้เลยยอมทิ้งจิตนะีส่วนพวกปัญญามากเนี่ยจะบรรลุด้วยการเห็นอนัตตาเห็นว่าจิตมันไม่ใช่ตัวเรามันทํางานของมันได้เองนะพึ่งพาอาศัยอะไรไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้จิตก็สลัดไม่ยึดถือสลัดคืนจิตให้โลกแต่ถ้าพวกทรงสมาธินะเวลาบรรลุพระอรหันต์เนี่ยก็จะเห็น ความเป็นทุกข์ของจิตนะของเราไม่ต้องกังวลนะว่าของเราเนี่ยไม่ต้องถามหลวงพ่อนะว่าหนูจะบรรลุพระอรหันต์พราะเห็นอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตานะเอาให้ได้โสดาก่อนนะอย่าใจร้อนจนะได้โสดาโสดาเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีหรอกมีแต่ของที่เกิดแล้วดับไม่มีอะไรเป็นอมตะถาวรที่จะเป็นตัวเราที่แท้จริง คำว่าตัวเราตัวเราหมายถึงตัวเราที่ถาวรความรู้สึกเป็นตัวเรามีเป็นแวบๆบแบบเกิดแล้วก็ดับไปแต่ว่าความสำคัญมั่นหมายสัญญาที่ผิดๆสาคัญมั่นหมายว่ามีตัวเราถาวรถ้าเป็นพระโสดากคล้างความสำคัญมั่นหมายผิดๆนี้ได้เพราะได้เห็นความจริงแล้วไม่มีอะไรถาวรเลยรูปธปรรม ท, ทั้งหลายก็ไม่ถาวรเวทนาความสุขทุกข์ทั้งหลายก็ไม่ถาวร ความจำได้หมายรู <cal ib ati> so stomach, sick, so ้ก็ไม่ถาวรความปรุงดีปรุงชั่วนะกิเลสทั้งหลายอะไรนี้ก็ไม่ถาวรจิตใจก็ไม่ถาวรเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยววิ่งไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเห็นอย่างนี้นะเวลาเราดูจิตดูใจเรานะถ้าคนไหนชานาญชอบดูขันน่ะถ้าชอบดูขันมันก็จะเห็นเลยว่าเวทนา เกิดดับสัญญาเกิดดับสังขารเกิดดับจิตอยู่ต่างหาก็จะเห็นว่าจิตนี้ไม่เที่ยงเพราะจิตที่สุขจิตที่สุขเกิดระดับจิตที่ทุกข์เกิดระดับจิตที่โลภโกรธหลงเกิดระดับอันนี้สําหรับพวกที่ถนัดดูขันนะถ้าพวกที่ชํานาญดูอายตนะอนั้นก็จะเห็นในจิตที่เกิดที่ตาเกิดแล้วก็ดับจิตที่เกิดที่หูเกิดแล้วก็ดับจิตที่เกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเกิดแล้วก็ดับพวกนี้เห็นจิตเกิดดับโดยอิงเข้ากับตัวอายตนะ นะแล้วก็ส่วนมากก็จะดูแค่เห็นกิเลสเห็นอะไรงั้นไปดูไม่ค่อยถึงอายตนะเท่าไหร่ไม่จำเป็นหรอกนะเอาไว้คนที่ชอบเล่นเรื่องอายตนะเขาดูนะเอเชิญไปทานข้าวนะ